สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเราไม่ควรเล่าเมื่อกลางเดือนกันยามีพายุพัดเข้ากรุงเทพหลายลูกฝนมักจะกระหน่ำตอนคำคำท้องฟ้าแดงฉานอุ่มน้ำหนักอึง้งลมก็แรงอูอูน่ากลัวมากครับ แต่ผมกลับชอบบรรยากาศแบบนี้เพราะมันทั้งแรงมีพลังอัดแน่นและลึกลับคืนนั้นผมไปส่งแฟนถึงบ้านเธอที่พุทธมณฑลสายห้าทั้งที่เธอบอกว่าไม่ต้องไปส่งเพราะเป็นห่วงผมเหมือนกันบ้านผมอยู่ประดิพัทธ์ไกลกันคนและฝั่งฟ้าก็ว่าได้ แต่ผมไม่ยอมหรอกครับพอรถเมย์มาผมก็โดดขึ้นไปกับเธอทันทีส่งจนเธอเข้าบ้านเรียบร้อยผมก็นั่งรถเมย์กลับขนาดนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มมาถึงวงเวียนใหญ่ก็สี่ทุ่มกว่าผมก้าวลงจากรถเมย ของฟ้าแดงฉานมีฟ้าแลบสว่างวาบวาบแล้วคำรามกระหึ่มคลื่นคลื่นจนรู้สึกชัดถึงพลังกระแสไฟฟ้าที่แผ่ซ่านอยู่ในทุกอนุภาคาดคอยดูเถอะเดี๋ยวต้องมีพายุใหญ่แน่ๆแบบนี้ผมต่อรถแท็กซี่จะสะดวกกว่าละมัง้งมือเร็วเท่าความคิด ยกขึ้นโบกเรียกรถพอดีแท็กซี่สีม่วงแดงคันหนึ่งปลาดเข้ามาเทียบฉับไว้คนขับดูจะดีอกดีใจจนผมอดนึกขำไม่ได้ดีใจอะไรบานนั้นขึ้นมาเลยครับจะไปไหนก็ได้เสียงโชเฟอร์เริงร่าทำอย่างกะว่าตลอดทั้งคืน ไม่มีใครเรียกเขาเลยพึ่งมีผมนี่แหละรายแรกพอบอกจุดหมายเขายิ่งดีใจใหญ่แมมคุณครับดีจังเลยผมจะได้เข้าบ้านเหมือนกันบ้านผมอยู่เตาปูนดีจริงๆไม่ไกลจากบ้านคุณเท่าไหร่เขาพูดเส้อผมจนชักกลัวซะแล้วสิ เจ้าหนุ่มนี่สติดีหรือเปล่าจากการรอบมองพินิษวิพี่เคราะห์อยู่ที่เบาะหลังนี้เขาก็ดูหน้าตาดีอายุ ค, คงจะยี่สิบต้นๆไวเดียวกับผมนี่แหละครับเขาคงอยากกลับบ้านเร็วๆเพราะฝนกระหนำ่ำแต่อาชีพอย่างเขาไม่น่าจะคิดแนวนั้นนะ สงสัยหมอนี่หนักไม่เอาเบาไม่สู้ละมัง้งฝนเม็ดโตตกใส่ลถเสียงป่อแปะแล้วก็เทโครมลงมาจากฟากฟ้าโอ้โหฝนตกสมองอะไรไม่เห็นนอกกระจกนะดูเป็นฟ้าขาวไปหมดผมขอจอดข้างทางก่อนนะครับไม่ไหว แท็กซี่หนุ่มหันมาบอกเป็นเชิงหารือผมก็เห็นพ้องด้วยเขาพูดอีกว่าดีนะที่มีคุณมานั่งเป็นเพื่อนอยู่ด้วยผมสะกิดในคำพูดนั้นนิดๆแต่พอดีแฟนโทรเข้ามือถือบอกว่าเป็นห่วงผมจริงๆผมคุยโทรศัพท์ตาก็ดูที่ฝนที่สัดซ้ำหนักน่วง สักพักหนึ่งผมก็ขอวางสายเพราะเคยได้ยินว่าโทรศัพท์มือถือก็เป็นเสือให้ฟ้าผ่าลงได้เหมือนกันขณะที่ปิดมือถือหางตาผมเห็นเหมือนมีใครมานั่งอยู่ทางขวามือในเบาะหลังผมหันขวับไปมองแต่ที่นั่งตรงนั้นว่างเปล่า เราคงจะตาฝาดไปเองนะแปลกถึงจะไม่เห็นใครผมก็ยังรู้สึกว่ามีคนคนนั้นนั่งอยู่ข้างๆไม่ได้หายไปไหนฟ้าคลืนคืนเหมือนเทวดาลากโต๊ะหนักๆอยู่บนโน้นก่อนเสียงคลื่นนั้นจะจางผมได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆดังมาจากข้างตัวผมจริงๆ หันขวับไปมองตรงที่ว่างเปล่าแล้วขยับตัวไปประชิตประตูมากขึ้นตามองไปที่กระจกสองหน้ารถเจอกับสายตาของหนุ่มโชเฟอร์ที่เลงอยู่เขาดูตกใจนิดๆกระพริบตาทีๆแต่ไม่กล้าถามผมว่าเห็นอะไรท่าทางนั่งตัวแข็งทื่อ เหมือนกําลังรอดูสถานการณ์คุณเปิดวิทยุหรือเปล่าผมถามขึ้นเขาก็สั่นหัวตอบว่าเปล่าแล้วก็เงียบกลิบมีแต่สายตาในกระจกที่มองมาอย่างหวาดระแวงท่าทีนั้นทำให้ผมสังหอนใจว่าในรถนี้มันต้องมีอะไรแน่ ยิ่งจ้องดูความว่างเปล่าข้างตัวแล้วขนลุกซาหนาวเ ย, อเยอือกท่านใดนั้นมีกลิ่นบางอย่างค่อยๆโชยมาเป็นกลิ่นขาวๆพูดตรงๆคือว่ามันเป็นกลิ่นขาวเลือดผมนึกถึงตอนที่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเมือ่อสองสปีก่อนเพื่อนของผม หกล้มหัวแตกผมพามันไปที่โรงพยาบาลก็มีกลิ่นนี้แหละจำได้ติดจมูกเลยเมื่อกี้คุณรับคนเจ็บขึ้นมารถหรือเปล่าผมพูดกลัวหัวเราะเพื่อไม่ให้มันเครียดเกินแท็กซี่หนุ่มทำท่าอ่อนใจก่อนจะพยักหน้าโอ้ยนั่นไงจนได้ ผมนึกออกแล้วข้บุนยืดยาวแล้วก็ลอยฟังอย่างหมดเปลือกเมื่อสามวันก่อนนาเขาขับรถคันนี้ช่วงสีทุ่มกว่าแบบนี้แหละขณะที่รถวิ่งอยู่แถวแถวถนนพระรามสองมีผู้หญิงวัยรุ่นนุ่งขาสั้นสีขาวใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดำมีรองเท้าส้นตึก ติดเท้าอยู่ข้างเดียวหล่อนเดินโซเซตัวงอมายกมือเรียกรถน้านึกว่าเป็นคนเมาพอรับขึ้นมาหล่อนก็บอกว่าถูกแทงมายกๆน้าตกใจมากรีบขับรถไปหาโรงพยาบาลที่ไกลสุดปาก็คอยพูดกับสาวคนนั้นเธอร้องไห้และควรญคลางอย่างเจ็บปวด ไม่ตอบอะไรเลยอึดใจเดียวก็เงียบไปเมือ่อนามองกระจกหลังก็เห็นเธอแงนหน้าพิงพนักในตาเหลือก้างสะอึกสองถึงสามครั้งน้าเหยียบคันเร่งจนถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าสาวน้อยสินใจแล้วเลือดตกใน แต่ขาดที่ช่วยกันอุ้มร่างเธอลงจากรถเลือดทะลักออกทางปากมามากมายจนน่ากลัวน้าของเด็กซี่ต้องไปให้ปากคํากับตำรวจไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนใครแทงเธอผมฟังเรื่องแล้วใจจะขาดอยากเปิดประตูเพ่นจากรถสเสดนั้นเลยไม่แข็แล้วล่ะครับว่าฝนข้างนอก จักระหนำหนักแค่ไหนคุณพระคุณเจ้าช่วยที่ข้างๆผมนี่มีผู้หญิงมานั่งตายเมื่อสามวันก่อนนี่เองสามวันพอดีหนุ่มโชเฟอร์บอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องผีมีกลัวด้วยแต่คืนนี้กลับรู้สึกตลอดเวลาว่ามีใครมานั่งข้างหลังสะอึกสะออื่น ถอนใจยาวๆแถมมีกลิ่นเลือดโชยมาเป็นระยะเขากลัวมากๆจนกระทั่งผมเรียกพอดีโชคดีที่มีเพื่อนนั่งกลับบ้านผมทนนั่งรถกับผู้หญิงที่ถูกฆ่ามาจนถึงปฏิพัทพอลงรถก็ปรากฏว่าโชเฟอร์จอดล็อกรถไว้ในซอยผมนั่นแหละครับ